วิธีฝึกสมาธิแบบประยุกต์ข้อที่1จะต้องสอบประวัติอย่างละเอียดของผู้ที่จะฝึกสมาธิเพราะการสอนที่จะได้ผลอย่างแท้จริงนั้นผู้สอนจะต้องเข้าใจถึงส่วนต่างๆของจิตใจอย่างละเอียดทีท้วนจะต้องรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของความบวกพร่องในด้านจิตใจเช่นสมมุติว่าเราจะแก้นิสัยโกหกของเด็กบางคน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 ข้อที่4การฝึกสมาธิที่จะให้ได้ผลอย่างแท้จริงและเป็นการง่ายแก่ผู้ฝึกก็ต้องมีการจุงสมาธิด้วยการจุงสมาธิหมายถึงการแนะนำให้รู้จักพิจารณาถึงปัญหาชีวิตและเพื่อช่วยเปลี่ยนวิธีความคิดเปลี่ยนความเข้าใจเปลี่ยนความเชื่อความยึดถือและอะไรอีกหลายอย่าง ถ้าหากผู้รับการฝึกสามารถยอมรับความคิดต่างๆที่จะแนะนำให้ใหม่ก็เป็นอันว่าการฝึกนั้นได้ผลแน่นอนการฝึกสมาธิแบบนี้สามารถฝึกพร้อมๆกันเป็นจำนวนสิบสิบคนหรือร่อยๆอยคนก็ได้ปัญหายุ่งยากอยู่ที่ต้องพยายามปรับความรู้ให้เท่ากันหรือใกล้เคียงกันซสียก่อนหมายความว่า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 จะต้องเรียนกันให้ละเอียดทีท้วนผู้เรียนจะต้องมีความจำดีเพราะถ้าหากจำหลักวิชาไม่แม่นหรือเข้าใจหลักวิชาไม่พอเวลาจูงสมาธิจะได้ผลน้อยเพราะเหตุนี้ในสถานฝึกสมาธิจึงจำเป็นจะต้องมีห้องเรียนและแยกเป็นห้องๆเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เรียนจากพื้นความรู้ของตัวเอง อย่าลืมว่าการเรียนเพื่อการฝึกสมาธินั้นผู้เรียนจะต้องเข้าใจอย่างจำแจ้งทุกบททุกตอนและจะต้องจาแม่นด้วยฉะนั้นเวลาเรียนจึงจาเป็นต้องแยกผู้เรียนออกเป็นห้องห้องตามพื้นความรู้ของบุคคลแต่ละคนวิธีนี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายไม่เบื่อในอันที่จะต้องเรียนซ้ำซากในสิ่งที่ตนเองรู้แล้ว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 เห็นคุณค่าของการฝึกสมาธิมากขึ้นหมายเหตุ head, ผู้อ่านถ้าท่านใดมีเวลาลองฝึกทำเสียงอ่านหนังสือคือเอาหนังสือมาอาัดเสียงจากนั้นก็มาตัดต่อคำผิดจัดแต่ละประโยคเว้นวรรคให้เหมาะสมเสร็จแล้วก็ฟังทวนทั้งหมดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง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 ข้อที่8การกีฬาการดนตรีงานศิลปะทุกอย่างจะต้องนำมาวิจัยเพื่อให้รู้แน่นอนว่าการเล่นแบบไหนดนตรีชนิดไหนหรือมีศิลปะอะไรบ้างที่สามารถจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการฝึกสมาธิหมายเหตุผู้อ่าน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 หรือความพิการทางจิตใจให้หมดไปจิตใจมีความละเอียดปราณีตมีโครงสร้างซับซ้อนยิ่งกว่าร่างกายมากมายแต่แล้วไม่ว่ารัฐบาลหรือคณะสงฆ์ก็ยังให้ความสนใจต่อการเผยแพร่พุทธศาสนาน้อยมากจนเกือบจะพูดได้ว่าเป็นการดูถูกหรือเหยียบย่ำศาสนาเสีด้วยซ้ำไปทั้งๆ ท, ที่ไม่มีเจตนาที่จะดูถูกเหยียบย่ำเลย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 ข้อเท็จจริงเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราทั้งหลายยังงัวหลับไม่รู้ว่าศาสนาเนี่แหละที่สามารถจะนำไปแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเพราะศาสนาคือหลักในการพัฒนาจิตใจคนศา ส, สนาสามารถที่จะกล่อมกล่าวจิตใจของคนเราให้รู้จักใช้ความรู้ความสามารถใช้ทรัพย์สมบัติใช้อิทธิพลหรืออานาจในหน้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมได้อย่างแท้จริง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 หรือถ้าหาจะทำก็จะทำได้ไม่นานโอกาสที่จะเลิกหรือกลับใจยังมีมากกว่าคนที่รู้ทางกฎหมายเพราะฉะนั้นมือของศาสนาจึงนับว่าเป็นมือที่ประนีตและยาวมากเพราะสามารถที่จะเข้าคุ้มครองไปแทรกซึมในวงงานต่างๆ ต, ตลอดจนกระทั่งในครอบครัวในสังคมทุกแห่งแม้กระทั่งในที่เร้นลับคนอื่นไม่รู้